แต่ว่าสติที่เรามักจะขาดกันนะก็คือความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจสังเกตไหมเวลาเราเดินตรงกลมเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างจังหวะเนี่ยบ่อยครั้งเราก็ลืมกายลืมไปว่ากําลังเดินหรือไปว่ากําลังสร้างจังหวะโดยพอเวลากินนี่ชัดเลยนะ ลืมไปว่ากำลังกินใจเรากาลังกินความคิดแทนหรือว่าที่จริงผูอูอยียานก็คือถูกความคิดครอบงำจันทรลืมไปว่ากาลังกินอยู่อันนี้เรียกว่าลืมลืมกายนะคือไม่รู้ว่ากลังทำอะไรอยู่ลืมใจก็คือว่าปล่อยใจลอยนะปล่อยใจลอยฟุ้งทั้งที่ตั้งใจแล้วว่าจะให้ใจอยู่กับกายนะจะให้ใจรู้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 ปล่อยให้อะไรต่อแลไรมันดึงใจไปเช่นเสียงเสียงเสียงดังเสียงคุยของเพื่อนเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์บ่อยครั้งมันดึงใจเราไปไอกายก็กาลังเดินอยู่ตัวก็ยังเดินนะแต่ใจมันถูกดึงไปโน่นไปนี่แล้วอันนี้เรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ใจนี่ถูกดึงไปไปอยู่กับเสียงไปอยู่กับรูป บางทีก็ไปอยู่กับอาหารตันะกอาหารเห็นอาหารมันน่ากินนะอยู่อยู่บนโต๊ะใจก็ไปเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเราไอ้ตรงนั้นอนะ่ะมันลืมนะลืมใจไปแล้วปล่อยให้ใจนี่ถูกดึงไปอยู่กับอาหารจานชอบและตอนนั้นเองก็ลืมกายไปด้วยนะ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 แม้แต่ดาราที่เก่งนะเขาไม่ใช่ว่าเขากจ็จะแสดงอาการต่างๆได้เขาต้องเขาต้องอินไปกับบทแล้วเขาก็นึกปรุงเพื่อทําให้ใจเนี่ยมันเป็นเป็นไปอย่างที่ต้องการแล้วก็จะได้แสดงอาการออกมาให้คนดูเห็นอย่างที่ปรารถนาพวกเราต้องปรุงแต่งจิตก่อนนะให้โกรธปรุงแต่งจิตเพื่อจะได้โกรธปรุงแต่งจิตเพื่อจะได้รักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยจะไป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 ความคิดก็ไม่ใช่เทาไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ทางนะไปเพ่งที่เท้าที่มือก็ไม่ถูกนะการเจริญสติแบบหรือว่าเทียนนี่ถ้าเราไปไปบังคับจิตมากเนี่ยหรือไปกดดันจิตมากนี่จิตมันช้ำนะจิตมันช้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะอารวาสละอารวาหลายอย่างนะอาจจะรู้สึกเครียดขึ้นมาหรือว่าเกิด คิดน่นคิดในปรุงแต่งต่างๆนานาบางคนทําไปทําไปตัวแข็งเลยนะตัวแข็งมือค้างเลยก็มีนี่เรียกว่าจิตนี่มันสู้นะจิตมันมันพยศมันก็ป่วนละเพราะว่าไปไปทํามันช้ำนะบังคับจิตไปกดดันจิตจิตก็สู้แทนที่ใจจะเป็นจิตจะเป็นนี่กับเราก็กลายเป็นศัตรูนะทําใจสบายๆนะ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 คนที่เขาเดินทางไกลนี่เขาจะเดินสบายๆนะเขาจะเดินสบายๆเพราะว่าไอการเดินสบายๆเนี่ยมันทําให้เขาสามารถจะเดินได้นานแล้วเขาก็ได้พักทุกก้าวที่เดินไอคนที่เดินเร็วนะเดินเร็วเดินจ้านะพอเดินไปได้สักพักสักชั่วโมงสัก45่สาที่ต้องหยุดละต้องหยุดพักเพื่อที่จะเอาแรงกลับคืนมาแล้วค่อยเดินต่อ แต่คนที่เดินเก่งเนี่ยเขาเดินไปเรื่อยๆแม้จะเป็นการปีนเขาก็ตามอาตมาเนี่เคยเคยปีนเขาเคยเดินข้ามเขามีไกด์มีมักกุเทศเป็นชาวเขาเขาก็สอนวิธีการเดินนะั่นคือเดินช้าๆแต่อย่าพักนะก็บอกงี้เดินช้าๆแต่อย่าพักเราก็เถียงในใจนะว่าไอ้เดินช้ามก็เดินช้าอยู่แล้ว เนะต้องมขึ้นเขาเนี่ยต้องแบกสัมภาระแต่ว่าไม่พักนี่จะทำได้อย่างไรนะแต่ก็ลองทำตามที่เขาแนะนำก็คือเดินช้าๆเดินช้ากว่าที่เราเคยเดินปกตินะ่นาจะเป็นทางชันทางลาดนะก็เดินช้าๆแต่ว่านิสัยของคนที่เดินพื้นราบเนี่ยก็จะเดินเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะว่าไปนึกถึงจุดหมายปลายทางยิ่งตอนนั้นนี่ต้องไปให้ถึงก่อนเพนเพรานนั้นก็เลยทำท่าจะเผลอจ้ำอยู่เรื่อยตอนนั้นที่เป็นทางขึ้นเขาแต่ว่าพอมีสติรู้นะเออว่านี่เรากำลังใจเราไปอยู่ที่จุดหมายข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่หมู่บ้านตอนนั้นชื่อหมูบบบนะหม่บ้านจับบูสีจะไปหมู่บ้านจับบูสีเดินช้า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 ค่ะที่คนที่เดินก่อนหน้านั้ น, น, นที่จำเอาจำเอานี่เขาพักเราก็เดินผ่านก็ไปเรื่อยๆผ่านก็ไปเรื่อยๆคนที่เดินเร็วนะเขาจะถึงจุดหนึ่งก็ต้องพักละแต่พอเดินช้าเราเดินไปเรื่อยๆเราไม่รีบเดินสบายๆก็เป็นอย่างที่เขาว่าคือว่ามันไม่ต้องพักก็ได้เพออราหละเพราะว่าได้พักระหว่างเพราะได้พักในทุกก้าวอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไปถึงบ้านจะบูสีก่อนเที่ยง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 แต่นี่ยังดีนะบางคนเดินเร่งเดินเรียบจกกนกระทั่งเท้าพลิกรองเท้ากัดกลายไปว่าต้องพักนานขึ้นยิ่งอยากถึงเร็วกลับถึ ง, ถงช้ายิ่งไม่สนใจที่จะถึงในกลับถึงไวให้การปฏิบัติธรรมก็ ค, คล้ายๆกันนะแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยใจเราเนี่ยจะต้องวางความอยากลงถึงแม้ว่าความอยากมันพาเรามาถึงนี่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 ขยันมากไปมีปัญหาได้อย่างที่พู้เจ้านี่ได้แนะนำพระโสนกโกริวิสสะซึ่งมีความเพียรสูงมีความตั้งใจมากเดินจนกระทั่งเดินจงกรมจนกระทั่งเท้านี่เป็นแผลเลยเพราะว่าท่านเป็นพวกสุขุขมารชาต์ขานีอ่อนนิ่มอ่อนนุ่มนุ่มกว่าผู้หญิงอีกท่านเดินจงกรมถ้าเดินเท้าเปล่า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 พระสนนี่เดิมท่านเป็นนักดนตรีดีดพินสามสายภูจาก็ถามว่าเนี่ยไอ้พินเนี่ยสายที่ถ้าขึงให้ตึงเนี่ยมันดีดเพราะไหมไม่เพราะถ้าดีดถ้าขึงให้ให้หย่อนนี่เพราะไหมมันก็ไม่เพราะต้องขึงพอดีพอดีแล้วภูจาก็ตรัสว่าเนี่ยความเพียรต้องทําความเพียรแต่พอดีนะทำความเพียร แ, นะแต่พอดีนี่มันไม่ได้หมายถึงว่ า, าไม่ได้อยู่ที่ เกริยาอาการเท่านั้นแต่แตมาอยู่ที่ใจด้วยนะว่าใจนี่มุ่งมั่นจะเอาจะเอาให้ได้หรือเปล่าพอพระเจ้าแนะนําให้ทําความเปลี่ยนแต่พอดีพระสนะท่านก็ก็เข้าใจแล้วท่านก็วางใจให้ให้ให้เป็นกลางมากขึ้นและในสุดท่านก็บารุษธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นพวกเรานอกปฏิบัติเราก็ต้องรู้ทันใจของเรานะว่าเราทําด้วยความด้วยความด้วยความอยากหรือเปล่า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 ใน้การความระลึกได้อย่างที่เราต้องการสร้างขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ยคือนนี้คือมันนึกขึ้นมาได้เองนึกขึ้นมาได้เองว่าอ๋อนี่เรากำลังเดินจงกรมนะนี่เรากำลังสร้างจังหวะ น, นะหรือนึกขึ้นมาได้เองว่านี่กำลังนั่งฟังคำบรรยายนะให้เราสังเกตมาว่าตอนที่เราเดิน <c oughs> <c oughs> เดินจงกรมเดินสร้างจังหวะอ่านั่งสร้างจังหวะ น, นะบ่อยครั้งมันก็ลืมไปนะว่ากาลังเดินกาลังนั่งอยู่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 มันจะไม่ทําให้สิ่งเหล่านี้ความระลึกได้อย่างที่ว่าเกิดขึ้นได้ความระลึกได้ชนิดนี้ภาษาบาลีก็เรียกว่าอสังคาริกังคือมันไม่ได้เจตนามันไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเรานึกขึ้นมาได้บ่อยๆทํำบ่อยๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้บ่อยๆนึกขึ้นมาได้เองบ่อยๆนึกขึ้นมาได้เองบ่อยๆทีแรกเนี่ยนึกไปสิบคิดไป10เรื่องถึงนึกขึ้นมาได้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 ก็ค no ือไม่อาหูไปรองเกี yeah. ้ยหรือว่าเกิดเพลอเอาหูไปรองเกี้ยวพอเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็มีสติรู้ทันมีสติรู้ทันก็วางความงุดหงิดก็หายไปเสียงดังก็ดังไปแต่ใจไม่ทุกด้วยใจไม่ใจไม่กระเพื่อมด้วยอันนี้เรียกว่าสงบนะสงบทั้งๆที่มีเสียงเกี้ยดังสงบทั้งๆที่มีเสียงมอเตอร์ไซค์สงบทั้งๆที่มีเสียงพูดคุยกันเพราะว่าไม่เอาหูไปรอง